ควาสงครามโลกก็คือความโชคร้ า, ายหน้าชิดหายของสาสตร์โลกนั้นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงคร า, ามที่มันเกิดกับสจของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดปกติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่เับปิดใจอยู่เขาท่าเขาขันคือการเจ็บไข้โดยตรวจปวดหัวตัวร้อนปประการต่างๆมันคือว่าสงครามมันท่ายาเขาไปปราบค่ะถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายมั่คือสงครามน่สงครามขาดขัน สงครามโลกมันก็ริ่มท่ายเริ่มขันเรื่องทำลายสมบัติเรื่องทองต่างๆทำลายจิตใจของกันละกันสงครามภายในแม้แต like ่ระหว่างพิเรนต์กับใจนี้เป็นเรื่องทํานองเดียวกันก็ทําลายจิตใจและทําลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันนีสหานี้ลังอับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคุเยเฉลดนี่มันมีมากมันรุนแรงมากเพียงไรมันก็แสดงออกมาให้โลกไปเห็นชัดเจนถ้ามันสุ่มอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงล้วนแน้วแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามไม่มีการต่อสู้กันเพราะถเรียกว่าสงคราม ในขันเหล่านี้มีพอจะทราบได้ซึงความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอาชาเข้าไปแก้ไขหรืปราบกันมีเรามีครังมีการต่อสู้กันก็เรียกว่าสมครามในระว่างใจระหว่างใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการทําละกันเลยก็อยียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสหยดย่ทำทําลายไปเรื่อยๆไป ไม่มีสัญลักษปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นท่านปูถุพิบัติธรรมจึงต้องดิ้นรนขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภยัยแก่จิตใจของตนให้มบาบางนลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเราลบมีทางต่อสู้กัน ถ้าขณะใดาเวลาใดาวันใดีิเรีชนะเราเราก็ยอมทมอมนทุกข์ทรมานภายในใจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความพักผ่อนเยนใจีิเรนเหมาะไปช่วยการช่วยเวลาเรามีความสะดวกสบายใจพื่อการชำระไม่้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเล่นเดินตปงกลมนั่งสมสาธิภารณาแกขายต่างสติปัญญา อุบายของเราถ้ารู้เท่าทันกับพิรธุธมันก็ระหนักระงับดับลงไปเป็นงานหนักสหรับถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลําบากอุบายที่จะสู้กับพ่เลยก็คือสติปัญญาทะเบียงก็คือความภาพเปลี่ยนเป็นถนนเสมอ ความึุสาพยายามความ อ, อกความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ในถอยมีกองเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหลักที่เหล็กทั้งหลายเบาบางจากติดใจใครเช้่มีความร่วมเยินเป็นสุขมี่งเจือการต่อสู้กันระหว่างที่เลกกับถ่า ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีถ้มามีการต่อสู้กันหมอบลาบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างลาบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นจากาอันาจของเจลิตถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดียวกับเคารพในสงครามก็ต่าคน็ยังพอมีทางที่จะรับ ไทยชนะเป็นทัพภาคใหญมีความสุ ข, ขนสบายใจบ้างแสยะ ข, ของพวกเราพิทังก็ดีทำมังสงามคัญก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมบุกสงา 6, สารหกพระภาษาคงไทยถึงปรากฏขึ้นมาเป็นทำมังสนังขับขานนี้แ ก, ก่พวกเราพระสงสาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุ้งสมบั ได้เริ่มแรกตแต่อยู่ในคารวาสแย่าเอือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมประพุทธปฏิบัติจนถึงคําได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบาเพ็ญตนเพื่อชำระที่เหลือวิปรากปรางที่เหลือซึ่งมีพาู่ภายใใจให้หมดไปโดยลําดับลำนับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในฐานที่ต่างๆอาการต่างๆ พัยาบทต่าง ๆ, างๆเห็นใ้ป่าในเขาลุมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งสิงไทยกับพิเดตแต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล้นหา เ, าเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาถึงได้ป ร, รากฏก็เป็นทั้งคั ง, น, งนังกระานคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิต ทัดทำีระหว่างที่หลกกับถังด้วยกลางบรงมสุขเป็นภายในจิตใจปรากฏเป็นสรณะที่สามขึ้นมาว่าสัางคังสถางกษามทั้งสมามสถานะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับใสยชนะาาเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่ข้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธวิสัชนมันต้องมีความหมายได้ฉะนั้นเพื่อให้ความหมายคำวมาพุทธวิสัชได้จากลูกตาหลอกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันดูเวลานี้การมาถึสถานที่บำเพ็ญ น, นี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่ริมานตามโลกของสมมติยงกันต้องมาถึงสถานที่ลำบากทรมานเออ ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมันขอกด้วยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะกินาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกสว่ามันขาดแคลนต่างกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าประวพืชปฏิบัติ คำจัดวิเลศซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความมื่นเริงมันเป็นด้วยความพอพอใจนี่ก็คือว่าเราดําเนินตามรอยท่าบาทของพระพุทธเจ้าหรือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างวิเลศกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี่ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ขีดใจวิเลศก็มีอยู่ขีดจการรบกันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบฟุ้งฟินใทยกับวิเลศ จิตใจเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นผู้มีความลําบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของทีเลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลาบนผลที่จะ เ, เกิดขึ้นจากความลําบากเพราะความภาคเพลินหรือการรบกับที่เดชนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้ผ่อนแอเกิดขึ้นมา เรามีความเพราะถอนมีความอิจฉาละอาใจต่อความภาคเกลียนที่จะก้าวไปโดยลำดับับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจเราควรจะรึกถึงธงดั่งพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในแทรสูรุ่งพิบโศขว่าหรืออาญเ ย, ยลุขมูลเอ ร, เรว า, า, า, วาวาัคซึ่งยาตาเลียวทิขบูเมืม่อเธอทั้งสนันสวร์เมื่อเธอทั้งหงลายเธออยู่ในลุขมูลลงไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสด า, เ, าเข้ามาสนิทติตแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดบิดพันในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอาานุเฉลกสะฮาอเรยาทะใน็จะกระสู พระอัฏฐพุทธังเสรยญาติหากว่าละลุตถึงบุพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงลึกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากละลึกถึงมาทำยังไม่หายไปแล้วพึงละลุกถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักวิทย์ของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะ้เกิดความมั่นใจในเคยทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่ปเปลี่ยวเช่นรูขุมูลวงไม้คือเรือนบ้างในป่าในเขาที่ใดก็าตามคุ้ถือหลักถือพระพุพะะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในใจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีในจิตใจแล้วจะ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 การนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซึ่งเป็นองค์รัตน์องค์รัตน์ตน์ไตรอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้อ่อนแอขึ้นมาอันห้นึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความทอดแท้อ่อนแอรหรือทอดถอยอย่างเรานี่หรือดำเนินแบบไหน เราเป็นรลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกอีกครั้งเรายอ่อมขึ้นห้าลึกคอยตามนั้นมให้พิเลสด้วความท้อแท้แรมันถุดล่าลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมถ้าเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเรานี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคอยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมา่ง่ายความอ่อนแอ น, นี่นักหนา หากว่าสิ่งนี้เป็นของกระเสิร์ตแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งนี้ทําไมถึงไม่ประเสิร์ตกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียมกันว่าควรจะปล่อยอันใด ย, ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอแททอ่อนเอยึดเอาหลักความเฉแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้ทั้งขางสงนังกระฉามิของพวกเรา ท, าท่านทอดแแทอ่อนเอเหรือ ความต่อแท้ในอั น, นี้กับสังขำสนังกระานี้นี้เข้ากันได้ไหยความต่อแท้ใ น, นเรื่องของพิเรกก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายสาระซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองรึดซักกันระหว่างพิเรกกับธรรมพิเรกกับสติปัญญาความโง่เขลาคือทพิเรกแต่มันถนาดสำหรับส่าสอนคน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 เพราะการสู้รบ ก, กับฟิเลตเราจะาความกระดวกสบายมาจากที่ไหนนี่แต่ทํางานธรรมดาก็ยังลําบากอนนี้การสู้กับวิเลตขึ้นเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยูนหัวจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารของวัตจักรนี้มาตรงไม่รู้กี่กั้งกี่ครั้ในใจดวหงหนึ่งๆซึ่งร่อนแล้วต้องแต่มีสิ่งอย่านี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดตัดเตาหรือทํางละออกไล่อย่างง่ายได้อย่างนี้มันเป็นไปไมาได้ เมื S <S ่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตัดเกียบสกายจึงต้องพยายามจุดกำลังความสามารถทั้งปีปัญญาทั้งความภาพเยียด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตธรรมเพื่อสิ่งนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจใจปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดาเนินให้เราได้รู้ไว้เสมอในการปฏิบัติธรรม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 พระพุทธเจ้าก็ดีภาษาวกทั้งหลายก็ดีท่านำำลำบากลำบันลาบากจากกรรมมา็นสุดแคบชีวิตจะไปไม่รอดจิงแล้วว่าเป็นพุทธทางธรรมสังฆธรรมสำนังอาสารนี้ของพวกเรานี่เราผู้ดาเนินตามท่านจิ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบดบางครัง้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย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 คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันเมื่อมีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่างๆนี้ออกไปเราจะค่อยเดินขึ้นไปโดยลําดับําับคิดไม่ อ, อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวกิเลส ก, ก็แทกอยู่กับความรู้นี้แล้วความกระติบความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปทางต่างตําเสมอปติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องตัง้งทางขีดขวางสิ่งเหล่านี้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 นี่เป็นหลักใหญ่ของการประพฤติทธรรมท่านเคยกระพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออัดเพื่อทำก็ต้องเหยี่ยมย่ําทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสที่อลบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนามต้องคอยพิ่มแทงเราอยู่ท้เหมอการแจ้ไขายกิเลสเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทําระาไม่หนึ่งไป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 ทีบวินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วกัเป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้เดียกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดนั้นความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะถึงการแมตต้องพับทราบจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสับเพสัตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์ก็จะเป็นเพื่อนทุกข์กข็จะเจ็ายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาโหงตุจงญะได้พยาบาทขา้าเย็นสิริจมญาได้มีเยในแจกันกันอเบยาปร ะ, ประชาโหงตุจมญ า, า, าได้พยาบาทอาข่าอาขาดอยากได้เบียดเบียนกันสีราคาโหตุสุขียะะาจานังปิหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วถันเธอผูนี้การสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกกฎแจกจ่ใจด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกาน มันมีความเมตตาสงสารซึงกันอาการเพราะอย่างไงยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกลาเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีล่ไปการทั้งทางถนนทุทางก็ดีตีกลาไว้แล้วโอสัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้บอกไว้แล้วแล้วก็ตีกลามาเรื่อยๆเยเขาเอาโรงฆ่าสัตว์ไอ้เรามันก็ตีกลาไว้แล้วจะวางไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกลาไว้หมด เป็นตัวแปลว่าการนี้ไม่เหมือนอย่างการาเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไร้ันก็เป็นกลาหมดทั้งตัวอยู่แ ล, แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทหยุดดื่มควนควายบำเพ็นเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นสตบัดของเรา่รางการนี้จะเป็นสมบัติของพญายมตุราคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเจ้าดายอย่าไปนึกหัวนึกหัวก็เป็นความลําบากลําบนตหนหมดเกล้าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำรรให้รู้ตามประกินปล่อยลงตามสภาพขหงโลกอันนิจังทุกขังหน้าตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนนิสังทุกขังหน้าตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะปล่อยวางไม่ต้องหยุดต้องยึงกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์ื่อนิสังทุกขังหน้าตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก ปิดจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้งสลัปัดทิ้งได้ทั้งหมดปิด ก, ก็เป็นยิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเอจะเรียกว่าอะไรก็ได้ออไมาถึงขงั้นี้แล้วประมาณเท่นั้นขอใหน ท, ทุกท่านนำไปปฏิบตัติวันนี้นี่จุดหน่วยเครพลเพลใส่ใจะอะไรนะคงไม่ใช่ให้ทันยังไงันสุขอันเท่านั้น ก็ม like, ีเพียแต่จะให้หิ้หัวอยากอะไรไม่อยากนะีเฉยเอาละขอดทธิ์จเหมือนกันใ้ทาจระรวังและใส่กงทองดีกว่าพูดถึงมารยาทลิงพูดถึงมารยาทลิงฟังได้ว่าพูดถึงมารยาทลิงพูดอะไรอะไรก็ให้ลิงฟังก็ปลอมลิงใช้เวลา นี่เราจะโดนเราแล้วก็ไปล่อยไปว่างั้นพอปล่อยแล้วก็เร น, นตัวนี้ให้ปล่อยแล้วปล่อยฝุ่นรียพอปล่อยแล้วนตนนี้โดดลงน้าโดดลงน้ําล้งยุ่งไปหมดแล้เ น, นี่ทําไมไองยงทั้งหลายก็มืนลงไปเล่นน้ากันเหร อ, อแล้วเขามันากเล่นเหมือนกันแหละว่างั้น แต่มันจำเป็นมาอยู่กับมนุษย์นานไม่ทราบมันขออะไรฮะเราเราไม่ยุ่งไปหมดเรานี่สกรปรกเราต้องมาล้างใหม่ทีก่อนหมดเลยเราต้องจะเข้าหมู่เพื่อนได้ว่าฟังตีหนะกอ่าเอาเอา่าไง น, นี่มันเป็นเรื่องหนึ่งของลิงนะเป็นเรื่องหนึ่งของธรรมอยู่กับอย่างที่พูดแต่ี่นี้เข้าใจไหมอืมมันตกก็ตกลงโรกอืมอถ้าธรรมดาแล้วจะต้องไปล้างกันอยู่ทั้งวันลย้างนันเหมือนกับลิงลมันล้างแบบมันแล้วอันหนึ่งล้างแบบหนึ่งเร่องนั้น ยืดๆขีเกียจฟังก่าหองโลกเป็นไง <c ười> หมดแล้วอะไ ร, ระนี่งานจาดกแล้วไง